คำถามจากคุณสัตราาเวลาขับรถเร็วๆแล้ ว, ลวมีสัตว์ตัดหน้าเช่นสุนัขแมงแมลงต่างๆไม่อยากชนสัตว์แต่จะเบรกระทันหันหรือหักหลบก็ไม่ได้เพราะจะเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องชนไปอย่างนี้ 4. ี่ข้อหนึ่งขาดไหมครับบาปไหมครับไม่ขาดเพราะต้องมีเจตนาต้องมีเจตนาที่จะทำร้ายเขาจะฆ่าเขาถ้าไม่มีเจตนามันก็เรื่องเป็นเรื่องสุดวิสัย จะมีผลกับเราหรือไม่ก็มีเพราะถ้าเขาถูกรถชนตายได้เราก็อาจจะถูกรถชนตายได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เราอยู่ในเรื่องนี้มันต้องมีตายแบบตายด้วยกรรมตามตายด้วยเวรกรรมคือคนที่เราไปฆ่าเขามาฆ่าเราหรือตายด้วยอุบัติเหตุมันก็ตายเหมือนกันแต่ไม่ถือว่าผิดศีลไม่ได้ตั้งใจทําบา อยากถามนะคะว่าตอนเนี้ลูกทํำการบ้านที่ท่านพ่อบอกว่าให้นั่ง6ชั่วโมงค่ะค่อพอนั่งแล้วมันมีความสุกว่าขยันมากลูกก็ถ้าวันไหนขี้เกียจลูกก็จะบอกว่านั่งสมาธิแล้จะเกิดความขยันขึ้นมาเลยนะคะกลัวกลัวกลัวนั่งเลยสู้กันเสร็จแล้วทีนี้ลูกอ่ะก็ ได้ไปเรียนครูสมาธิกับหลวงพ่อวิริยังและทีนี้มันก็มีงานที่จะต้องทําช่วยน้องเจ้าค่ะแล้วลูกก็ได้ฟังทำท่านพ่อบอกว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วตั้งแต่หลวงตาแล้วหลวงตาบอกว่าต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนที่จะช่วยคนอื่นทีนี้ลูกว่าลูกจะเลิกทํางานช่วยช่วยที่ครูเขาสอนสมาธิค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่เหมืนอนเหมือนเป็นคณะทํางานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะและทีนี้ ลูกก็เลยว่าลูกอยากถามท่านพ่อว่าถ้าลูกจะหยุดแล้วก็มาช่วยตัวเองก่อนเงี้ยมาเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเองก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่อย่างนี้หรือว่าจะทำคู่กันไปเจ้าคะก็ อ, อยู่ที่เราต้องการถ้าเราต้องการเวลาเพื่อทำให้กับเราเต็มที่เราก็ต้องทำให้กับเราก่อนแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้กับเราได้อย่างเต็มที่ เรามีเวลาว่างเราอยากจะไปช่วยคนอื่นด้วยก็ทําได้แต่อย่าให้มันมาขัดกันกแล้วกันถึงแม้ว่าเรายังไปบวชไม่ได้เรายังก็ทําตรงนี้ไปก่อนคดีกว่าไปดูทีวีแล้วไปทําอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆหกชั่วโมงได้ก็ไม่ต้องไปช่วยใครก็ได้นั่งเฉยๆไป เพราะว่าตอนนี้ลูกก็ทาอยู่ที่บ้านแล้วลูกก็ตั้งใจว่าลูกจะไปอยู่สวนแสงธรรมกับคุณยายรดาที่แนะนำลูกมาเจ้าค่ะ เ, เพราะว่ า, าตรงนั้นก็สงบดีค่ะแต่ว่าไม่จะไม่มีแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นที่สวนแสงธรรมสายสามแล้วเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเราตอนอาตามที่เราปฏิบัตินี่เราก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เรารู้แล้วว่าเราต้องทาอะไรเราก็ทาไปให้ได้ก่อน แล้วถ้าเราติดขัดเรื่องเรามีปัญหาเราค่อยไปถามเรือเราก็อาศัยอ่านหนังสือธรรมะไปก็ได้ก็คืคอว่าถ้าตอนนี้ลูกก็คือหัดทำทาอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามหัดตายจากลูกจากครอบครัวเหมือนที่ท่านพ่อบอกว่าอาทิตย์ละวันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยใ่ไหใช่ก็คือ ใ, ให้เราอยู่หัดอยู่คนเดียวให้ได้เดีืยที่ไม่ต้องมีอะไรมา เป็นที่พึ่งของเราเอาธรรมะเอาสติเอาสมาธเอาปัญญาสามตัวนี้มาเป็นที่พึ่งสติก็พยายามหยุดความคิดเราอย่าปล่อยให้มันคิดคิดแล้วมันฟุ้งแล้วอยา่าแล้วก็จะทุกข์ถ้ามันไม่ได้คิดมันก็จะเย็นจะสบายจะว่างแ ต, แต่ลูกก็ยังฟุ้งอยู่จ้ะค่ะเพราะว่ามันยังต้อง บริกรรมอยู่ค่ะยังนิ่งไม่ได้ก็นั่งคือต้องบริกรรมสู้กับความขยันอก็พอจะนั่งหกชั่วโมงพอบอกว่าจะนั่งหกชั่วโมงนี่ขยันขึ้นมาเลยอยากจะทําตรงนู้นอาตรงนี้ใช่ไหมคือบางอย่างต้องทำก็ทําถ้ามันเป็นงานจําเป็นยังไงนั่งทําเ่นกว่าบ้านถูร้านลูกก็เข้าใจว่าอย่างนี้นะคะลูกแบ่งเวลาอย่างนี้ว่าช่วงที่แบบครอบครัวสามีไปทํางานลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยลูกก็นั่งถ้าบันแบบ บางทีลูกก็ขี้เกียจทํางานอะไรประมาณนั้นน่ะเย็บลูกเก็บผ้าอยู่บ้างถ้ามันขี้เกียจลูกก็จะบอกว่างั้นนั่งสมาธิกันละกันหกชั่วโมง อ, อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหาขี้เกียจเ <c oughs> นี้ยมันก็เลยหายขี้เกียจประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ทีนี้นูกก็จะบอกว่านูกก็จะพูด ก, กับตัวเองอพูด ก, กับกิเลสอะหรือพูด ก, กับตัวเองลู ก, ก็ไม่รู้ลู ก, ก็จะบอกว่าทีเมื่อกี้ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะภาวนาแล้วมาขยันเราก็ไม่อหาอ ถึงจะแม้จะข ย, นยันแต่เราก็ไม่ทํา<ห>ถูกไหมเ จ, จ้าค่ะพ่อพ่องานภาวนาที่สําคัญกว่างานอย่างอื่นแต่กิเลสมันไม่ชอบภาวนาเราให้มันเลือกตั้นระหว่างภาวนากับขวบบ้านทูบ้านทําอะไรมันขวบบ้านทูบ้านดีกว่าให<ช>้มันนั่งเฉยเฉไม่เอามันเครียดขึ้นมาทันทีเลยอยากจะทําจ้าค่ะ<ห>อยากจะทําอยากจะอะไรอย่าง<ห>นี้ขยันขึ้นมาเลยจ้ะ ก็ที่ไดนั่งเฉยๆเพื่อหยุดความอยากนะครับความอยากมันเป็นตัวดานให้เราต้องไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆถ้าเราอยู่เฉยๆได้ก็สบายทำทาจนกว่าเรานั่งเฉยได้ใช่ไหมก็ค้าค่อยๆมานั่งคือลูกก็ก็ช่วงที่นั่งเฉยจะพูดโธไปนั่งสมาธิไปด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่บังคับให้มันจะนั่งได้นานเท่าไหร่ไม่ไนานเท่าไหร่หมายหมายถึงว่า พอลูกนั่งเฉยๆได้อย่างนั้นโดยหกชั่วโมงแล้วลูกไม่ต้องบริกรรมแล้วลูกค่อมานั่งขัดตามาธิใช่ไหมจ๊ะบักใช่เออเรานั่งบัดสมาธิด้ <Okay. S 1> แล้วถ้ามันเจ็บก็บริกรรมอย่าลูกให้มันผ่านความเจ็บไปให้ปล่อยวางความเจ็บเวลาบริกรรมมันจะไม่ทรมานเพราะว่ามันไม่มีความอยากแต่ถ้าเราไม่บริกรรมมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไป <Okay. S 1> อยากจะลุกมันก็จะทําให้กทรมานใจ แต่ถ้าเราพุโทโธพุธโทโธไปบริกรรมไปไม่ไดคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวมางทีมันก็สงบความเจ็บก็หายไปเมื่อไม่หายมันมันก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บมันก็จะนั่งเฉยๆกับความเจ็บได้ต่อไปทีป น, นี้ลูกอยากถามอีกอีกเรื่องหนึ่งคือว่าตอนนี้ลูกลูกของลูกยังเล็กอยู่ลูกก็สมควรจะส่งลูกให้เรียนให้จบก่อนใช่ไหมเจ้าคะค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยจะมา ช่วยตัวเองตอนนี้ก็ช่วยลูกก่อนใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้ามีคนอื่นช่วยแทนได้ก็จะมาก็ได้ถ้ามีพ่อมีใครเขารับภาระเลี้ยงลูกได้เราก็มาก่อนจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่ถ้ามาไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงลูกให้มันตก่อน mm hmm. ให้มันช่วยตัวเองได้ก่อนเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเรา อย่างพระพุทธเจ้าท่านมาได้เพราะท่านมีคนอื่นเลี้ยงลูกให้ไงเพราะว่าถ้าเราไม่มาเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวมันก็ไปติดพันกันแล้ว<อ>พอถึงเวลาจะมาได้ก็ไม่อยากจะมาตอนนี้ไฟกำลังแรงใช่ไหมตอนอแต่ก็ต้องดูความเหมาะสม ว่ามาได้เมื่อไหร่มาแล้วเขาเดินมาก็มันก็ทำให้เราไม่สบายใจเราก็เดี๋ยวก็มาแล้วก็ไม่สงบอยู่ดีดแต่ถ้าเรามาแลรารู้สคกว่าเขาสบายเขามีคนดูแลทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ไม่ไปพะวงกับเขาเราก็มาดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหมดเวลาเมื่อไหร่เนื่งแต่ไปรอเลี้ยงลูกพอเลี้ยงลูกเสร็จก็าอาจจะตายพอดี แล้วโอกาสอันดีงานอย่างนี้จะหมดไปแล้วฟังแล้วมันก็เหมือนมันมันมันคึกคักมันมันอยากจะไอ้นี่อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจ้าว่าแต่อีนี้ว่าก็มังบางการน่ะหนูก็เลยยินท่านพ่อบอกว่าถ้าเราลูกยังเล็กเราก็อย่าเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ลูกเรียนจบก่อนก็มันแล้วแต่แต่ละคนไงว่ากรรมมีมากมีน้อย พอมีกรามไม่มากมากแถ้าอย่างลูกมีคนพอดูแลได้ก็ใช่คืออยู่หรือไม่อยู่เขาก็ได้รับการดูแลเหมือนกันมันก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ไม่มีใครดูแลเขาเลยเขาช่วยตัวเองไม่ได้นี้เราก็ต้องดูแลเ้าไปก่อนแต่ถ้ามีคนที่เขาแบบ ถ้าขอไปเลี้ยงได้ก็ให้เขาไปเลยตอนนี้หนูตอนนี้ลูกก็มีคนเลี้ยงอยู่เอกสารแต่ตแว่าเหมือนกับว่าก็ใจลูกก็อยากจะแบบเพราะว่าก็ายังแบบยังไม่มีเงินให้ให้เขาเท่าไหร่เรายังต้องหาให้เขาเหมือนเขาไปซันดอนเี่ยเขาไปซันดอนเขามาขอลูกกัรหาชางเลยก็ยกให้เขาไปเลยดีท่านจะได้ไปภาวนาได้ แต่แต่แต่ลูกยกนี่ลูกก็ยังยังยังเด็ดไม่ขาดนะคะก็คือก็ยังยังห่วงเขาอยู่ยังแบบยังแต่ก็ไม่ได้นี่อะยแต่แบบว่ายังห่วงเขาเขามากคิดถึงความตายบ่อยๆคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายอ๋อเจ้าค่ะย่างไรรักกันขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลาตายก็ต้องจากกันอยู่ดีจากเป็นดีกว่าจากตายใช่ไหมเ้าค่ะใช่จากเป็นยังช่วยเหลือกันได้ จากตายแล้วก็ช่วยอะไรกันไม่ได้จากเป็นเราไปปฏิบัติแล้วพอเราหลุดแล้วเราก็มาช่วยให้เขาหลุดกันได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านไปท่านจากเป็นพอท่านบรรลุแล้วท่านก็กลับมาช่วยช่วยนูกให้หลุดช่วยเมียให้หลุดช่วยพ่อให้หลุดช่วยแม่เี้งให้หลุด <Okay. S 1> ถ้าถ้าไม่ไปอยู่ในวังก็ไม่มีใครหลุดสักคนเพราะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะหลุด เพราะว่าตอนตอนลูกฟังหลวงตาก็แค่ให้รักษาสิ่ง้าพอลูกได้มีโอกาสมาฟังท่านพ่อลูกก็ให้รักษาสิ่งแปดอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกในความพิดตั้งก่อนหน้าแล้วว่าลูกก็ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วลูกรู้ว่ามันทุกข์ก็กแทำมันมีหลายชั้นไงชั้นป .1 ป .2 ป .3 น้องตนก็ต้ตองเอาปอ .1 ก่อนรักษาสี่งห้าให้ได้ก่อน พอรักษาศีลห้าได้ก็มารักษาศีลแปดในวันพระก่อนวันเดียวก่อนอาทิตย์ละวันคพอรักษาอาทิตย์ละวันได้ก็ต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันเพิ่มปไปเรื่อยๆให้เราได้เจ็ดวันพอได้เจ็ดวันก็ไปบวชได้ไม่อยู่วัดได้ถ้าไปถึงศีลห้าเดี๋ยวไปอยู่วัดปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่มีข้าวเลี้ยงให้กินแต่ลูกก็เคยไปปฏิบัติที่วัดตาบจักษ์เจ้ า, จาค่ะแล้วก็ ทา น, นี้นเดียวจา้าค่ะ แ, แล้วลูกก็อเอากลับมาทําที่บ้านได้นานอยู่แต่ตอนนี้ก็หยุดเพราะว่าเหมือนกับว่าทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็ไม่ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าแบบเหมือนมองว่าเราจุดตรงแต่พอตอนแรกลูกก็คิดว่าอุ๊เราจุดตรงไปหรือเปล่าแต่พอลูกมาฟังท่านพ่อนะลูกยิ่งกว่ายังอยู่อนุบาลอยู่เจ้าค่ะตอนแรกก็ลูกก็ภูมิใจว่าอุ๊ เราจะพ้นน้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่เมื่อฟังท่านพ่อแล้วโอ้ย<ช>ยังยั ง, ย, งยังจะไม่เล่านเะพราะว่าเราแค่ทําบุญแล้วก็มีโอกาสไปปีวิเวกแค่วันสอวันอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นใชดูพระก็ปฏิบัติทุกวันเขากินเมื่อเดียวทุงวันกินในบาทฉันในบาทตอนต้นเราคิดว่าเก่งพอไปเห็นทระเ้ า, า, าแล้วโอ้ยสู้เขาไม่ได้ใช่คตอนต้นเราเป็นคารว่าเราก็คิดว่าเก่งพอเราไปบวชไปอยู่กับพระ เ, เขาเรากินเมื่อเดียวเราพี่เราเก่งเขาไม่กินสามวันเขา้ามากินเขายิ่งเก่งอะไรอดทีสามวันห้งสงสาวันนั้นตอนต้งสงสัยพระในทางข้างเราหายไปไห น, นวะเรากลับไปบ้านนะถามว่าเราเขาไม่ไปไหนเขาอดอาหารอาอะไรไม่ได้ลงมาอ๋อเพราะเขาอดแล้วก็เลยโอ้เราต้องอดบ้างแลอวอดอาหารมันดีมันช่วยให้ไม่ง่วงนอนช่วยให้ขยัน เพราะว่าเวลาอดอาหารมันหิวมันต้องภาวนาถึงจะไม่ทรมาน <Okay. S 1> ถ้าไม่อดถ้าอดอาหารแล้วไม่ภาวนาจิตมันจะคิดถึงแต่อาหาร uh huh. แล้วมันจะทรมานแต่ถ้าเราภาวนาจิตจะสงบแล้วมันก็จะไม่ทรมานมันจะหายหิว uh huh. ความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่ยอมเนี่ยอดสิบวันยี่สิบวันสบายร่างกายไม่เดือดร้อนหรอกมีสะเบียงสะสมไว้เยอะแต่ใจเนี่ยมันชอบคิดถึงอาหารอยากจะกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมก็เลยต้องบางคับให้มันไม่คิดให้มันพุทธโทพุทธโทอย่างเดียวพอพุโทโธอย่างต่อเ น, นี่ยมันก็สงบสงบแล้วมันก็สบายอิ่มมันก็ไม่หิว ถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วต้องไปดูคนที่เขาเก่งกว่าเราไปอยู่กับคนที่เขาเก่งกว่าเรารถึงจะรู้ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงไหนหถ้าไปทางนี้ได้ไปเลยแต่ถ้ายัางไปไม่ได้ก็พยายามทาเท่าที่เราทําได้ไปก่อนคือเราไปก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้เขาเขาเดือดร้อนจากการไปของเรา ถ้ายังเป็นหน้าที่ของเราอยู่ที่จะต้องดูแลเขาเราก็ยังไปไม่ได้แต่ถ้ามีคนอื่นมารับภาระให้กับเราได้ก็ให้เขาไปเลยเศรษฐีมาขอลูกไปเลี้ยก็ยกให้เขาไปเลยเขาจะได้สบายอยู่กับเราเขาก็ยากจนเราเลี้ยงทองชื่อเลี้ยงเศษฐีเนี่ยกเขาไม่ได้ก็ให้เขาไปเลยเพายังไงเดี๋ยวเราก็ตายจากเขาแล้วแล้วเดี๋ยวเขา ต่อไปเขาก็ตายแล้วมันก็ลืมมันไปหมดนะเพราะเราตายเขาตายมันก็ลืมกันไปหมดนะใช่ไหมชาติก่อนเรามีพ่อมีแม่มีอะไรมาเราก็ลืมเข้าไปหมดแล้วตอนนี้ลูกก็วางใจได้มากเพียงกับว่ายังยังห่วงเ้าอย่างที่ท่านพ่อบอกว่าคือเรายังต้องเลี้ยงเขาแต่ลูกก็เข้าใจขึ้นมาเยอะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเออจริงๆแล้วอะ เขาก็แค่ได้กายเนื้อเรามาแค่นั้นจ <Yeah. S 2> ิตใจนเนี่ยก็มาจากไหนไม่รู้ <Yeah. S 2> ลูกก็จะเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่แม่ไม่ค่อยพูดไม่ห่วงเยอะไม่พูดเยอะ <Yeah. S 2> คือบอกแค่พูดกับเขาอธิบายเขาฟังว่าคนดีเขาทําอย่างนี้อย่างที่ตั้นพ่อบอก <Yeah. S 2> เพราะว่าเขาก็เริ่มโตแล้วลทีนี้เขาก็มีความคิดของเขาเราก็ต้องฟังเขาด้วยแ็้วเดียวนี้ลูกก็จะอยู่กับเขาแบบว่า อยู่กันแบบเพื่อนมากกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมโลกเพื่อนอ่าเพื่อนวมโลกแต่ว่าแต่ก็จะบอกเขาว่าคนดีเขาทํายังไงคนพี่ดีเป็นยังไงคนเรียนเป็นยังไงคนไม่เรียนเป็นยังไงเจ้าค่ ะ, อะสอนเขาเรื่องผิดถูกดีชัว่วได้อย่างเขาก็เป็นผู้หญิงนะคะเจ้าค่ ะ, ะลูกก็เลยยังรู้สึกเป็นห่วงเขาอยู่คนที่เขาจะดูแลได้เขาก็ยังไม่มีเงินพอที่จะส่งเสียเขาเจ้าค่ะ ลูกก็เลยว่าลูกจะอยู่ก่อนก็ต้องเลี้งให้เขาช่วยตัวเขาเองว่าให่เขามีความรู้รักษาตัวเขาเองให้ได้กับแต่ละท่นี้ถ้าจะไม่ให้ไฟระมัดล้วก็ทําอย่างนี้ของเราไปคู่กันการเรียนลูกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่วันไหนว่างไม่ต้องทํางานแล้วก็ทำภาวนาไปวันไหนถือเสียงแปดได้ก็ถือเสียงแปดไปมันจะได้มีเชื้อไว้เลี้ยงเชื้อไว้ถ้าไม่ทํำเดี๋ยวเชื้อหมด แล้วพอจะมาทำใหม่พอมีเวลาจะทำก็ไม่มีกาไปจะมอดใช่ไหมใช่เลี้ยงไฟไว้เลี้ยงไฟใส่ค่อยใส่ฟืนไปเรื่อยๆทำบุญทำทานไปรักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดบ้างมีเวลาไปทำบุญไปอยู่วัดได้เอาไปบ้างคำถามจากคุณวัด เคยบนว่าจะไม่กินเนื้อแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยว<อ>ถามแม่ค้าแล้วเขาบอกไม่ใช่เนื้อวัวก็เลยกินเข้าไปปรากฏว่าไม่มีเนื้อวัวจริงแต่เป็นลูกชิ้นเนื้อวัวไม่รู้มาจากเนื้อวัวหรือเปล่ากินไปได้สองคำรู้สึกแปลกๆก็เลยไปถามอีกทีพอรู้แล้วก็หยุดกินแบบนี้บาปหรือเปล่าครับเพราะเคยบนด้วยครับอ๋อเรื่องกินเนื้อสัตว์นี้ไม่บาปหรอกถ้า ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าให้เราหรือเราไปฆ่าเองถ้าไปซื้อของที่ตายแล้วมากินนี้ไม่บาปเหมือนกินเจเพราะว่าเราบาปนี้เกิดจากการฆ่าสัตว์หรือสั่งให้คนอื่นเข้าฆ่าให้เราทำเองก็ดีให้คนอื่นเขาทำให้ก็ดีก็บาปแต่ถ้าเป็นของที่ตายแล้วเราไปซื้อมากินนี้ไม่บาปแต่จะผิดผิดที่เราไปบนไว้ แต่ถ้าถ้าผิดโดยที่ไม่มีด้วยการด้วยความไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่ามันเป็นเนื้อหรืยังกินอยู่อย่างเนี้อันนี้ก็แสดงว่าตั้งใจจะกินแต่ถ้าถามเขาแล้วเขาบอกไม่ใช่เป็นเนื้ อ, อนนก็กินไปอย่างนี้ครัไม่ได้เป็นความผิดนของเราถูกเขาหลอกถูกก็โกหกคําถามจากคุณชวน ตอนเช้าหกโมงไปส่งลูกเรียนหนังสือกลับจากส่งลูกปั๊บก็ไปทํางานเกือบเก้าโมงทำงานถึงเที่ยงหลังเที่ยงถึงจะมีเวลากินข้าวหนึ่งมือ้อยังถือว่าถือสินแปดไหมได้ไหมครับคือว่ากินข้าวหลังเที่ยงได้ก็อย่าให้มันไปถึงบ่ายก็แล้วกันถึงเย็นก็แล้วกันก็ความจริงจะกินเย็นก็ได้ถ้าเรากินมื้อเดียวกิน ที่ให้กินกินมือเดียวแล้วกินไม่ให้กินหลังเที่ยงก็เพื่อจะได้ไม่กินมากเกินไปแล้วที่ดีก็ตรงที่ว่าอันนี้เหมาะกับคนที่ไปอยู่วัดคนที่อยากจะนั่งสมาธิพอกินเที่ยงเสร็จมันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับกินเย็นอีกถ้ามากินกังวลกับเรื่องกินเย็นเดี๋ยวมันนั่งสมาธิไม่ยาวเนี่ยนั่งได้สักแป๊เดี๋ยวคิดถึงเรื่องกินอีกล่ะเดี๋ยวนอกมากินอีก แต่ถ้าเรากินพอถึงเที่ยงแล้วเราไม่กินละวนี่หลังเที่ยงเราก็นั่งสมาธิไปถึงเวลานอนได้เลยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องกินอีกทีนะนี่คือความหมายของการไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อให้เราได้มีเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงเวลานอนเนี้ยเป็นเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรากินข้าวเย็นเราก็ต้องพักการปฏิบัติ แล้วก็มาทํากับข้าวมาทําอะไรมากินกินเสร็จก็ต้องล้างถ้วยล้างชามกว่าจะเสร็จก็นอไปทุ่มสองทุ่มก็เหลือเวลาแค่สองชั่วโมงเน้นถ้าอยากจะภาวนายาวตั้งแต่เที่ยงวันไปถึงสี่ทุ่มเนี้ยเราก็กินแค่เที่ยงวันก็พอแต่สําหรับคนที่ต้องการรักษาสิ้นเฉยโดยที่ไม่ได้ภาวนาก็ถ้าใช้อีกชั่วโมงนึงก็ไม่น่าจะมีมีปัญหาอะไร การถือศีลแปดนี่มักจะ ท, ทําควบคู่ไปกับการภาวนาเพราะถือศีลแปดนี่มันจะทุ่ยให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปดูทีวีเดี๋ยวไปงานเลี้ยง<ม>ไปดูหนังไปฟังเพลงมันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมดันั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจึงถือศีลแปดกันเช่นไปอยู่วัด น, นี่ก็เี่ยนเช้ากับเพลง พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีเวลาถึงสี่ทุ่มก็ไปเดินจงโกงนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงเวลานอนสี่ทุ่มได้คำถามจากคุณลอยเขียงคนรักของดิชันเป็นคาลวาสมาสิบกว่าปีแล้วเขามุ่งมั่นที่จะบวชตลอดชีวิตและไม่ปรารถนาจะมาเกิดอีก แต่แปลกที่ดิฉันไม่เคยคิดจะขัดทั้งๆ ท, ที่รักเขามากและเขาก็รักมากเช่นกันแต่กับอินดีและรู้สึกซาบซึ้งมีความสุขไปพร้อมๆ ก, ก, กันกับสิ่งที่เขาหวังและตั้งใจแบบนี้ เ, เรียกว่าบุญได้ไหมคะลูกรู้สึกซาบซึ้งน้าตาไหลทุกครั้งที่นึกภาพเห็นเขาคล้องผ้าเหลืองความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรคะเรียกอนุโมทนาบุญไงยังคนหนึ่นนงก็จะทําบุญแล้วเราก็ร่วมมารดาเอามือน อ, นอนุโมทนาไปกับเขาคือเรามไม่ขัดขวางเขา ถ้าเราลักเขาบางคนห่วงไม่ยอมให้เข้าไปเราก็อยากจะไปบวชถ้าไม่อนุโมทนาใจาก็ทุกข์แต่ถ้าอนุโมทนาได้ใจาก็จะสุขอยากจะอนุโมทนาได้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทานี่มันดีให้ก็มีความสุขถ้าเราก็รักเขาเราก็อยากให้เขามีความสุ ข, ข, ข, สขถ้าเขาทาได้เราก็ยินดีกับเขาเราก็จะเกิดความสุขใจไปกับเขาด้วยเรียกว่าอนุโมทนาบุญ ยังไม่มีมาค่ะอะยังไม่มีมาพรอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามเป็นคําถามค่ะอะ อ, ะอะตัวรู้หรือผู้รู้เนี่ยค่ะเกิดเกิดขึ้นจากกระแสจิตของเราเองหรือว่ายังไงคะบางเป็นตัวตัวของจิตเป็นธรรมชาติของจิตมันรู้ตลอดเวลามันรู้แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีสติมันก็ไม่รับรู้มันไปรู้เรื่องอื่นหรือไม่ไม่รับรู้อะไรแบบคนเสียสติเนี้ย มันรู้อยู่แต่มันไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวมันต้องมีสติมันถึงจะรู้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้จิตนี้เป็นตัวรู้ตัวรู้นี้มันรู้ตลอดเวลาียงแต่ว่ามันจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรนี่อยู่ที่สติตัวสติจะเป็นตัวควบคุมใจให้ไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีสติมันก็รู้แบบสตส็อกสะปะ๊ะมันก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นอัน แต่ถ้ามีสตินั้นก็จะสามารถรู้เรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะมันใจมันจะได้จดจ่อติดตามเรื่องนั่นจนตั้งแต่ต้นจนจบได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็เหมือนเด็กคุยกับมันสองคำเดี๋ยวมันก็ไปเล่นมันเล่นนี่แล้วตอนเด็กๆนี้มันจะไม่ค่อยมีสติแต่พอมันโตมันเริ่มฝึกมีสติเน่งเพราะผู้ใหญ่จะสอนให้มันนิ่งสอนให้มันฟังสอนให้มันทําอะไรโดนรู้มีอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันไม่รู้เพราะสติ ให้มีสติมาคอยควบคุมให้มันมารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราถึงต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเราก็จะได้รับรู้อะไรได้เช่นฟังเทศตอนนี้ยถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันกานั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นอย่างนี้ฟังตอนนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีสติมันก็บังคับให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มานั่งฟังฟังอย่างเดียวพอฟังอย่างต่อเนื่องมันก็เข้าใจได้ความหมายได้ความรู้ขึ้นมา เราเราก็สามารถเอาความรู้นี้ไปทําให้เกิดประโยชน์กับเราได้ต่อเช่น <Okay. S 1> ตานนี้ใ ห, ให้ให้ใช้สติหยุดคิด <Okay. S 1> ก็ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียว <Okay. S 1> ถ้าเราอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือ <Okay. S 1> ถ้าเรารู้อยู่กับเรื่องของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรเราก็ดูเฝ้าดูการทํางานของร่างกายไปเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วเราก็ต้องเดินกลับมาอยา่ี้ต่อไปเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งดูลงเราก็จะได้ดูว่าเราดูลงหรูอเัลถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูลงแล้วเราก็ต้องเดินกลับมาดูลงต่อถ้าไว้ถ้ามันอยู่กับดูลมอยู่เรื่อยๆมันไม่คิดอะไรอยนี้มันก็นิ่งสงบมันก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้คือมีความสงสัยครับเพราะปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือจะฟังพระจารย์ทุกวันอยู่แล้วรับ หรือว่าทํางเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคําถามมาด้วยแต่ทีเดียวระหว่างเวลาระหว่างวันเนี้ยค่ะเวลาไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามก็จะบริกรรมไปตลอดคือจะท่องรู้โทโไป<อ>แล้วก็มันก็เหมือนว่ามีสติด้วยอะค่ะ<อ>แล้วอยู่มาวันดึงอย่างเงี้ยค่ะรู้ ก, ก็ทําทําไปเล้ปรากฏว่าไม่ท่องรู้โทเลยอยู่ก็บอกว่าลืมลืมพูดโธนะ อ, อ, อยู่ๆก็คือแบบนึกขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความสองสัยว่าแล้วเพราะได้มาฟังพระอาจารย์บอกว่าตัวรู้ผู้รู้อย่างเงี้ยค่ะในในตัวของเรามีก็เลย มีข้อสงสัยตรงนี้ค่ะเรารู้มันบอกเราเติอนเราไหว่าเราเคยพูดโเราใช่ค่ะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าออันนี้หรือเปล่าที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ก็คือตัวรู้หรือผู้รู้อะค่ะที่ความดีมันก็เป็นตัวคิดอะไม่ใช่ตัวรู้อะตัวคิดมันก็คิดเกิดมาว่าคิดว่าเลืมพูดโทรมันก็ยังเป็นสังขารแต่เป็นสังขารฝ่ายดีอย่างเป็นมเตือนมเตือนเราถ้าเราเคยทาอะไรแล้วบางทีเรา ตั้งใจเราจดจำแล้ว่าต้องทำํำพอแล้วไม่ทํามันก็มาถามเรามาเตือนเราเออกําลังลืมลวนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ทางโลกก็คือปกติค่ะเห็นอะไรก็คือมันเป็นความอิ่มความสุขบางทีบางครั้งเห็นคนอื่นเขาแบบวุ่นวายกันเราก็มองเขาแบบเป็นเรื่องธรรมดาด้วยด้วยด้วยความที่ว่า จิตด้วยด้วยอารมณ์ของเขามากกว่าที่เขาไม่มีสติแต่ตัวเราเองเราก็จะยับยั้งตัวเราว่าเราไม่ให้แบบเราจะไม่เดินตามเขาเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะอารมณ์ของเราดีป่ะขาดใช่ค่ะเราก็จะพยายามอยากเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่มีความสุขไม่ต้องมีอะไรมีความสงบนี่ดีกว่ามีอะไรมีแล้วทุกแล้วก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ถ้ามีความสงบแล้วพอไม่อยากจะได้จะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความอยากไม่ให้ไปคิดถึงนเสียงต่างๆพอไปคิดแล้วมันจะอยากถ้าเราไม่คิดแล้วมันก็จะไม่อยากงั้นถ้ามีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาได้ก็นั่งจะพยายามค่ะแต่ตอนนี้ก็ก่อนนอนก็ก็ก็ทําทุกวันแต่ชอบฝัน เหมือนคำถามเมื่อวานที่ลูกถามมาเลยค่ะพอฝันไปปุ๊บแน่ความรู้สึกแต่ก็มีอีกเนี่ยมันเป็นความฝันแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยตลอดก็คือพยายามที่ว่าจะบอกกันแล้วว่ามันคือความฝันเราหลอกนี่เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะฝันนก็ปลฝันฝันแต่ฝออกมาแล้วก็พักนอนต่อก็พูดโลต่ออย่างเงี้ยครัตลอดตื่นไ้มาก็เถือว่ามันมันผ่านไดแล้วมันจบแล้วไม่ต้องไปกังวลประมาณนี้ ความฝันเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มันก็เหมือนความฝันแล้วมันเป็น<ล>อดีตเปแล้วใช่ไหมครับเป็น อ, อดีตไปแล้วให้พยายามอยู่ปัจจุบันไเรื่อวยแร้วจะไม่วุ่นวายกับอดีตนะแต่ถ้าจะคิดถึงอดีตก็คิดในลักษณะเป็นบทเรียนได้เลยว่า อ, อ่อนเราทำผิดพลาดอย่างนี้นะต่อไปเราอย่าทำอีกนะอย่างนี้ได้ถ้าจะคิดอดีตให้คิดแบบนี้คิดแบบเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนตึ้ แต่อยไปคิดว่าฉั้งเสียดายฉันเสียใจทําเงอนไปแล้วไปแก้เ ไ, ไม่ได้แล้วแหะอดีตที่ผ่านไปแต่เราแก้อนาคตได้ด้วยการไม่ทําอะไรในปัจจุบันที่เสียหายถ้าเราไม่ทําอะไรที่เสียหายในปัจจุบันผลที่จะเกิดงานนคตก็จะไม่มีอะไรเสีย วิธีดีก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเฉเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทุงอย่างมันเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างมีเกิดนีดับมีขึ้นลงๆเป็นธรรมชาติขมันใช่ทุงอย่างเป็นธรรมชาติแต่เรามองไม่เห็นเราคิดว่าเราสามารถไปจัดการกับมันได้ไปสั่งมันได้แต่พอไปสั่งมัไม่ได้ก็เลยเครียดก็เลยทุกข์ก็เลยเสียใจ แต่ถ้ามองว่าเราจัดการเขาไม่ได้หรอก mm hmm. เขาจะเป็นอะไร mm hmm. เขก็ต้องเป็นไปต า, ามเรื่องของรขาเราก็ไม่ได้ทุกไปเครียดกับเขาได้จากฟังธรรมจากพระอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้พอ mm hmm. ได้ฟังแล้วก็พอได้ศึกษาด้วยพอ mm hmm. เอ่ยว่ามีพื้นฐานจากการเดินครูสมาธิของพระอาจารย์หลวง พ, อพอ่อฤยังมาท่า mm hmm. นก็เมตตาสอนเหมือน mm hmm. เหมือนเด็กเหมือนอนุบาลที่ไม่รู้ในเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเลยแต่พอ พอเรียนครูสมาธิจบแล้วก็มาฟังค่ า, าจานต่อมีความรู้สึกว่าได้ต่อยอดได้รู้จักในเรื่องของการภาวนา ร, รู้จักในเรื่องของการวางการใช้<า>ปัญญาการใช้ใ<ห>ปัญญาจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนการ ม, มีสมาธิก็วางไม่ได้ค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งแบบ เหมือนว่าอุ้ยเราติดหรือเปล่าเราเกิดความอยากบนไหนถ้าไม่ได้ฟังพาาระอาจารย์ตอนใบสองก็มีความรู้สึกไม่สบายเกิดพลาไม่เป็นไรไม่มีไม่ไมีโทษวันนี้กันนั่ง<ม>หัวเรา ม, มีคนถามคำ<ม>ถามวัมนนี้ก็บอพระอาจารย์ถูกถูก ถ, ถ, ถ, ถ, ถูกใจว่าเลยก็หัวเราอยู่เคนเดียวก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ได้มีโอกาสมากราบพรอาจรับมาครังแรก มาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะแต่พี่ใบบัวจะมาบ่อยกว่ามาด้วยกันนะมาด้วยกันอยู่ที่ไหนอยู่สามพานนครปฐมมากลางมาเท่ยวเง็นกลับเลยนะได้โอกาสที่ลูกได้เจอคุณยายแล้วจานะคะที่ส่วนแสงธรรมคุณยายก็เลยแนะนําให้ฟังท่านพ่อคเขาฟังแล้วลูกก็เลยมาค จะอยู่ที่บ้านัะอยู่ที่นี่ไม่เหมือนกันนะคะบรรยากาศอะไรอย่างเงใช่ค่ะตรงนี้สองบบ่ากแล้วตรงนี้รู้ความรู้สึกว่าเย็นไปหมดเลยเธรรมชาติอย่างี้บบนี้เหมือนการรับป่าบ้านตากถ้น ม, นมาอยู่บ้านตางก็อย่างเงี้ยก <c oughs> ็ดีก็อขอให้ยินดีในธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทรรั้งปวงขอให้ได้เงินร้อยล่านทางล่างก็สู้ได้ธรรมเลยละ ได้ทำแล้วมันอินใจได้ร้อยล้านผ่านล้าแล้วมันร้อนใจมันกังวลมัน้นมามีคำถามาไหมมีค่ะคำถามจากผู้ผมีประสงค์ออกนามตรุจจีนที่ผ่านมาเห็นมีคนรู้จักบางส่วนไหว้รถโดยมีความเชื่อที่บอกว่าทุกรถมีแม่แม่ an ย่านางอยู่แล้วกลับไหว้เพื่อแสดงความเคารพถามว่าแม่ย่านางมีจริงหรือเปล่าครับ หรือเป็นเพียงความเชื่อที่กับว่ายแล้วทําให้รู้สึกดีเมืเป็นความเชื่อพอเชื่ออะไรแล้วก็ต้องทําตามความเชื่อแต่มันก็ไม่มีอะไรรถมันจะพังมันก็พังรถมันจะชนกันก็ชนกันมันจะพังหรือไม่พังอยู่ที่คนขับชะมากกว่าคนขับถ้ามีสติมันก็ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติมันก็เจออุบัติเหตุบ่อย แต่เวลาเมื่อก่อนมีคนออกรถใหม่ก็จะมาให้เราเจมเราบอดอย่าไปเจมรถเลยรถเขาทำมาดีแล้ว <c oughs> เจมคนขับนะ <c oughs> เจมด้วยสติอย่าเมาแล้วขับก็เนี้ยเมาแล้วขับก็เดี๋ยวก็ชนแน่ๆ <c oughs> เจมคนดีกว่า <c oughs> เจมด้วยสติเวลาขับรถให้มีสติให้ใจเย็นๆให้มีความเมตตาอย่ารีบร้อน ชางพโทพโธพทโธไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเ้าจะปลอดภัยยังมีนิทางเวลามีคนออกรถใหม่เขาก็เอาไปกาบหลวงพอ่อหลวงพ่อคูให้หลวงพอ่อคูช่วยเจอให้หลวงพ่อคูว่ามึงขับรถเร็วแค่ไหนบอกแค่ร้อยี่สิบแล้วหลวงพอ่อโอ้ยแค่แปดสิบก็กระโดดลงแล้ว <c oughs> <c oughs> คำถามจากคุณโอบีลูกนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่านิ่งเหมือนหยุดหายใจชั่วขณะพุทโทหายไปพอรู้สึกตัวว่าลมหายใจมันหายร่างกายเราร่างกายเรามันก็หายใจเข้าไปทันทีทั้งๆที่เราไม่ได้ตกใจอะไรจากนั้นมีความรู้สึกเหมือนใจหายว่ามีอาการแบบนี้หลายครั้งเวลานั่งสมาธิ กาบเรียนถามพระอาจารย์อาการแบบนี้เกิดจากอะไรคะและ้วควรแก้อาการอย่างไรดีคะก็ให้รู้เฉยเฉยไปเลอดีเฉไปอย่าไปเวลาลมหายก็ปล่อยมันหายไปอย่าไปดิ้นท้าลมอย่าไปนึงน่งมกลับมารู้ว่าหายก็หายไปไม่ตายติดสงบมันไม่รับรู้เรื่องลมนันไมรับรู้เรื่องร่างกาย คำถามจากคุณหนู่ยเอหากเราทำงานโดยคุ่มเทเวลาทำงานเพื่อเตรียมการประชุมทั้งวันทั้งคืนจนถึง6กโมงเช้าเพื่อประชุมในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากหัวหน้าสั่งทําให้ร่างกายอ่อนล้าเวลาช่วงแรกยังอดทนได้แต่พอเวลาผ่านไปใจเริ่มปฏิเสธเราควรวางใจต่อไปอย่างไรดีเจ้าคะในเรื่องการทํางานลักษณะนี้เอ่ทุกอย่างก็มีพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เพราะร่างกายมันมีขอบเขตของการทํางานอยู่มันถึงเวลามันก็ต้องพักผ่อนหลับนอนถ้ามันไม่ให้มันพักผ่อนหลับนอนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เต็มที่แต่ถ้ามันเป็นกรณีฉุกเฉินเป็นเรื่องเป็นละเป็นเรื่องไปก็อาจจะพอผลักดันกันได้เช่นมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทําให้มันเสร็จภายในเวลานั้นเวลานี้แล้วต้องทําก็ต้องพยายามผลักดันไป แตถ่ถ้าให้ทําเป็นปกติอันนี้ต่อไปก็ตายทํามาเงินหามาได้แทบเปยนแทบตายก็ให้คนอื่นไปใช้หมดเน้นต้องรู้จักประมาณร่างกายก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหลับนอนมีการผ่อนคลายจิตใจก็ต้องผ่อนคลายทํางานมากๆ ม, มันก็เตึงมันก็เครียดได้เนี่ก็ต้องมีการพักกันพักทั้งกายพักทั้งใจ เวลาที่เราเริ่มงานนี่เราก็พักพักทั้งกายพักทั้งใจใจก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องงานก็ร่างกายก็ไม่ต้องไปงเฒมแท้งนั่งอยู่กับที่ทางานได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการไปดื่มน้าไปรับประทานอะไรไปออกกาลังกายหรือไปพักผ่อนหลับน้องก็ต้องมีแบบนั้นไว้ให้มันพอพอดีคําถามจากคุณศรารา กรรมฐานกองพรมวิหารสี่จะเจริญให้ถึงระดับฌานได้อย่างไรครับก็ให้เราบริกรรมหรือท่องเมตตาไปสัต์เพสัตตาเอาเวลาหมตุกสวดไปเรื่อยสวดให้ครบทั้งสี่มันก็จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้านกันถ้าเราไม่ไปคิดอะไร สัปเสสะตาเวลาหดุสาบยาแต่ไม่ต้องสวนน า, งงานมันถึงจะสงบได้คำถามจากคุณ น, นิโรธถ้าเราให้เงินเขาไปด้วยความเต็มใจแล้วเขาเอาไปทำในสิ่งที่บาปแต่เราไม่รู้แล้วเรามารู้ทีหลังอย่างนี้เราจะบาปด้วยไหมครับ อ, อ๋อไม่บาปเหรอเราก็อย่าไปให้เขาข่าวต่อไปก็ัแล้วกัน เราให้เงินเขาแล้วเขาไปซื้อเล้ากินเราคิดว่าจะให้เขาไปซื้อข้าวกินแล้วเขาไปซื้อเหล้าแทนเขาหน้าก็ไม่ต้องให้เขาถ้าจะให้ก็ให้ข้าวเขาไปเลยอย่าไปซื้ออย่าไปให้เงินเราได้บุญเราให้เงินเขาไปนี่เราได้บุญอยู่แล้วส่วนเขาจะไปทำบุญหรือทาบาปมันเป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณกัญญาเป็นคนชอบทำบุญทาทานกับสุนัขจอจัด และสุนัขตามวัดทุกวันจะหุงข้าวกับข้าวเอาไปให้สุนัข ก, กินทุกวันวันไหนติดทำงานที่เขาจะมาจ้างก็เอาไปให้แทนจะมีใจเป็นห่วงสุนัข ก, กลัวเขาไม่อิ่มบางครั้งสุนัขไม่สบายก็จะกังวลพยายามหาทางรักษาให้เขาจนหายมีใจสงสารและเอ็นดูทุกวันทำอย่างนี้นีแล้วมีความสุขใจมากตามหลักแล้วหากเราหากใจเราไปผูกพันกับสิ่งใดเวลาตายไปจะ จะเกิดเป็นสิ่งนั้นอย่างนี้การที่เราทําทานกับสุนัขจะมีผลในทางด้านลบไหมคะมีถ้าเราไปผูกพันมากเกินเกินไปคือมีความเมตตากรุณาเลี้ยงดูเขาดีแต่อย่าไปคิดถึงเขาตลอด24ชั่วโมงนีเรียกว่าผูกพันมากเกินไปแไปกังวลกับเขาอะไรกับเขามากเกินไปเราทําในส่วนของเรา <c oughs> ก็พอ ให้เขาข้าวเขากินดูแลเขาให้ยาเขารักษาให้เขาก็เสร็จสวยเขาจะเป็นยังไงร้ายดียังไงเราก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขาถ้าคิดมากเวลาตายกลับมาอาจจะไม่ได้มาเป็นหมาล้ว อ, อาจจะมาเป็นวิญญาณอยู่ใกล้หมาก็ได้อาจจะมาเป็นตุ๊กแกนนมาเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ฉ <c oughs> ั้นต้องทาแบบปล่อยวางอย่าไปทำแบบยึดติดิษทำนี้ดีแล้วมีความเมตตาความกาัลยาณ อไปผูกพันคำถามจากคุณประภัยพรเคยฝึกสมาะจิตพุ่งขึ้นไปชั้นพรมสองสาครั้งแสดงว่าเราเคยอยู่ชั้นพรมนั้นใช่หรือไม่คะก็ไม่ยาอ่ะมันมันขึ้นไปได้ก็เพราะปัจจุบันนี้เรามีกำลังส่งมันขึ้นไปมันก็ขึ้นไป แต่อาจจะเป็นอดีตก็ได้อดีตเคยมีกาลังอยู่แล้วพอมาทำปั๊บมันก็ส่งขึ้นไปได้เลยก็ได้ถ้าไปง่ายก็แสดงว่าอดีตเคยไปมาแล้วถ้าไปยากก็แสดงว่าอดีตยังไม่ไม่เคยไปอาศัยปัจจุบันส่งมันไปคำถามจากคุณกิติยาทำอย่างไรไม่ให้เป็นคนคิดมากนะคะอยากเป็นคนที่เจออะไรแล้วเฉยเฉยคิดอย่างไรดีเจ้าคะก็ถัดจเจริญพุดโธไป ให้พุโทโธพุโทโธไปต่อไปมันก็จะไม่คิดเองถ้าคิดก็พุโทโธไปหยุดมันไว้ก่อนแล้วพอไม่คิดเราก็ไม่ทงพุโทโธคำถามจากคุณมาลิควรทำบุญกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือของเงินบำนาญจึงจะเหมาะสมพอดีคะเพราะตอนนี้มีแต่เงินบำนาญค่ะแต่ก็อยากทำบุญ ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยเท่าไหร่ต้องเก็บไว้เท่าไหร่ถ้าไม่ต้องเก็บแล้วก็ทำหมดเลยแล้วก็ไปบวชอันนั้นดีที่สุดถ้าทำได้งั้นดีที่สุดไม่ต้องใช้เงินได้ดีไปบวชได้แล้วก็จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกงังวลกับการมาหาเงินหาทองหรือเก็บเงินเก็บทอง พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดผูกพันกับใครเราอาจจะมาเกิดเป็นตุ๊กแก ใ, ใกล้เขาเนี้ยค่ะหนูก็แบบเวลาที่จะผูกพันใครหนูก็ลองบริกรรมแบบตุ๊กแกตุ๊กแกอย่างเงีเ้ยค <laughs> ่ะจะได้ไม่จไม่ผูกพัน <S 1> <S 1> <S ใช่แล้วมันก็รู้สึกโอจะเกิดเป็นตุ๊กแกไม่เอาดีกว่าเองก็ทําหน้าที่ของเราพอส่วนเขาจะดีเขาจะไม่ดีอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอย่างพระเนี่ยท่านมีความผูกพันกับกีวอนรักกีวอนมากหัวงกีวอนพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลย แมลงตัวอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะแมลงใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กนี่ไป็นไงตัวมันเล็กมากตัวอะไรตัวอะไรมันก็เกาะจีวรพราะพุทเจ้ามียานก็เห็นว่าเนี่ยเจ้าของจีวรเนี่ยมาเกาะอยู่คือทำเงินของผ้าสมัยก่อนถ้าผ้าจีวรยังดีอยู่ถ้าผ้าตายไปแล้วก็เอาผ้าของผ้าตายนี่มาใช้ต่อเพราะว่าผ้ามันมีไม่มากแต่ผ้าผืนนี้พระเจ้าว่าอย่าเพิ่งไปแตะ เจ้าของก็ยังไม่ก็ยังไม่ให้ก็ยังหวงอยู่แล้วพอเจ็ดวันนั่นหลังจานั้นตัวเรนตายไปท่านก็บอกไปแล้วเจ้าของก็ไปแล้วเอาไปใช้ได้เพราะว่าตัวเรนมันรู้ว่ากลับมาแล้วก็ใช้จีวันไม่ได้แล้มันก็เลยพอพอตายไปมันก็ไปแล้วทีนี้แต่ช่วงแรกๆที่ตายใหม่ๆนี่มันยังมีความผูกพันอยู่มันก็จะกลับมากลับมาอยู่ใกล้ของที่เป็นของของตนอย่างเศรษฐีนี่มีเงินก็ฝังเงินไว้ในดิน ไม่ยอมบอกลูกไม่ยอมให้ลูกนะพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตัวเองพระพุทธเจ้าก็เห็นมา<ๆ>ก็เห็นว่าเป็นหมาเจ้าของเจ้าของบ้านมาเกิดก็บอกลูกๆว่าให้เลี้ยงหมาตัวนี้ให้มันดีนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็ไปขุดสมบัติให้จริงๆเนี่ย <c oughs> ความผูกพันแต่ถ้าไม่ผูกพันตายไปก็ไปรับผลบุญนะไปสวรรค์เป็นชั้นเทศชั้นอะไรไป แต่ถ้าถ้าถ้าไม่หวงเงินนี่หวงเงินบุญก็ไม่ยอมทำํำมีเท่าไหร่ก็ฝังดินฝังดินหมดเลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองที่หามาได้เลยเนีย่ยมีเงินทองเหลือเกินเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเก็บมาไว้ก็เอาไปทําบุญเอมันเป็นสเสบียงเป็นเหมือนกับค่าโดยบินค่าโรงแรมค่าที่พักไปที่เราจะไปต่อ บางทีเราจะไปแบบขอทานไปแบบเปรตหรือแม้กรกลับมาเกิดเป็นหมาเป็นอะไรมาหาสมบัติทั้งตัวเองพระมีไหมไม่มีค่ะอาจารคะคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคือใจเราจะสงบแล้วก็เหมเย็นใช่เวลาใจสงบเนี่ยมันจะมีสติสมบูรณ์มันจะเติบ ม, มันจะไม่มันไม่ที่เขาว่าหลับก็คือว่ามันมันจะฝันไปกับความคิดไง เวลาเราคิดอยู่เนื่อนเหมือนกันเราเราเราหลับเราอยู่กับความคิดบางทีรอบตัวเราแจะเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรามัวอยู่อยู่กับฝันอยู่กับความคิดความคิดเพอ้อฝันของเราแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจมันก็จะมันก็จะเติบมันก็จะรู้มันจะรู้ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมันนย่างนับน ก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเฉยได้ได้ถ้ามีถ้ามีสมาธิมีอุเบกขามันจะสักแต่ว่ารู้ได้ไปจ้ะคำถามจากคุณสุมเมธอยากบวชแต่พ่อแม่อนุญาตทำไงดีครับอดข้าวเลยในรอยพุธการนี้ก่อนมันอยากจะบวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็เลยอดข้าวยอมตายในะที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้บวช มีอะไรไหมคือลูกก็สงสัยว่าสมมติเราเราเราติดยึดติดแล้วทีนี้พอตายไปเป็นเลมีแล้วใช่ไหมพอพอเราตายจากเลมแล้วก็ไปราก็รับบุญของเราต่อไปถ้าเป็นบุญก็ไปรับบุญถ้าเป็นบาปแต่ถ้ายังมีบาปอยู่ก็ไปบาปต่อแล้วแต่นั้นมันจะมากกว่ากันอถ้าบุญมากกว่ามันก็ไปรับบุญก่อนถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่ามันก็ไปรับบาป แต่เราตานี้บุญกับบาปจะมาแย่งดวงวิญญาณไปฝ่าย ไ, ไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปฝ่ายนั้นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะเดินไปไปอบาย หมายถึงว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอลีเรายึดติดแล้วก็เป็นทุกแกตายไปแล้วก็เป็นทุกแกเราเป็นทุกแกแล้วตายไปแล้วก็ทีนี้ก็พอความยืดติดก็วัดอีกเหมือนกันใช่ไหมพอความยึดติดเหมือนกำลังแทีนี้ก็เรื่องบุญของบาศจะเป็นตัวนึ่งก็วัดอีกทีนึงแต่ตัวแรกนี้มันจะแรงกว่าความผูกพันนี้มันจะแรงกว่าบุญกับบาบ้างแต่ก็ไม่แน่ถ้าบาปหนักๆหรือบุญหนักหนักความผูกพันอาจจะช่้ยไม่ได้ก็ได้ มาแล้วแต่แล้วแต่ตัวไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าความยิบติดยังไม่หมดกําลังก็เกิดมาเป็นแก่อ๋อไม่เนาะมันจลัมาเกิดเป็นตุ๊กแกของเดียรมันก็รู้แล้วว่าอนี้เขาตัดสินแล้วไงเขตัดสินว่เลิกกันเขาก็กลับมาหาเขาพราะควมในใจสนใจกับเราแลเพราะเราเป็นตุ๊กแก่แล้ก็ไม่ไม่ติดแล้วก็เลิกติดแล้วถามมาคำถามจากคุณพักผ่อน ลูกปฏิบัติไปไม่ถึงไหนเลยแต่เบาสบายใจขึ้นเมตตา ม, มากขึ้นกระตันยูกับพ่อแม่ที่ส่งเสียตามกำลังพอมีพระมาให้ทำพิธีกรรมต่างๆเช่นไหวาทางสามแท่งไหวาราหูบอกบอกว่าหลวงตามไม่ใช่พระอรหรันลูกก็ไม่เถียงแต่ก็ไม่ไม่สมคมด้วยเพราะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องลูกทำถูกไหมคะมีทิศทมานะตนตนเยอะไปไหมคะยึดมั่นกับพระหลวงตามหาบัว มากไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่หรอกเรายึดติดกับความถูกต้องเราไม่ไปยึดติดกับความที่ไม่ถูกถทำในสิ่งที่ไม่ถูกแล้วมันก็ไม่เกิดผลดีถ้าเราทำสิ่งที่ถูกก็ได้ผลดีแล้วก็ยึดติดกันนเราต้องยึดติดกับความดียึดยึดติดกับความถูกต้องอันนี้ไม่เสียหายตรงไหนถ้าเราไม่ยึดติดเราก็เป็นคนโลเลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เดี๋ยวคนนั้นมาบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทาคนนั้นบอกให้ไปทาอย่างนั้นก็ไปทา เราต้องรู้ว่าเราไปทํานี่ถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกเราก็ทําถ้าไม่ถูกเราก็ไม่ทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับการกระทําว่าเป็นการกระทําที่ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้ยึดติดกับหลวงตาแต่เรายึดติดกับคําสอนของหลวงตาคําสอนที่มันเป็นคําสอนอ ม, มะตะเป็นของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้ยึดติดที่บุคคลแล้วเขาบอกให้เราไปไหว้ต้นไม้มันได้อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมไปอย่างที่จุดจีนจุดจีนให้ปไปไหว้แม่แม่ย่าแม่ยายอะไรในลบยังมีที่ไหนอ่ะ<ม>ใช่ไห ม, ไมอ่าแน่นอนเขาอยากจะไหว้ก็ไหว้ไปเราไม่ลบหลู่แต่เราไม่เชื่อเพราะเราพระเจ้าไม่สอนให้ไหว้นั้นพระจ้ให้ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติบูชาเอให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราทําแค่นี้พอหมดหรือยัง นอีกหนึ่งครัครับสุดท้ายคำถามจากคุณสุรเสนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าใจมีหลักมีเกณฑ์แล้วอยากถามว่าได้หลักใจคืออย่างไรครับก็มีสองหลักหลักแรกก็สมาธิความสงบหลักที่สองก็คือปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราต่อไปก็จะแก้ปัญหาที่ความอยากไม่ไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ คนนั้นทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่ไปแก้ที่เขาจะมาแก้ที่เราเราไปอยากเขาเองอยากให้เขเป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากกับเขาเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอันนี้มีสองหลักหลักแรกก็สมาธิถ้าเรามีสมาธิอย่างน้อยเราก็เวลารุ่นวายใจเราก็ทําให้มันสงบได้แต่มันไม่หายมันจะหายอย่างเด็ดขาดก็ต้องมีปัญญาที่เราวุ่นวายเพราะเราไปอยาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้พอเรารู้ว่าความวุ่นวายใจของเราเกิดจากความอยากของเราแล้วก็ตัดความอยากไปมันก็หายวุ่นวายใจเอาละนะอย่าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปคิดนิดพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ